ขอกราบสวัสดีท่านผู้รฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบดุมนุ่นครับวันนี้วันจันทร์ที่ห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพัรอยหาสิบรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบดุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบดุมเป็นผูด้ดำเนินรายการครับเึ่นเคยครับวันนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะสดครับโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพดีโหลกวัดบวรนิเวศน์เป็นวิทยากรตอบปัญหาธรรมะครับ เมายเโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้เรา ท, ทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาทถมาเข้ามานะครับโดยเฉพาะประเด็นต่างๆที่ท่านไม่สามารถสอบถามปัญหาเข้ามาได้ก็จดหมายมาได้นะครับ ที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมหกสิบเอ็ดโยทิน<ม>จนจากกรุงเทพหนึ่งศูน้าครับที่คุณแจงครับในวันมาคบูชาที่ผ่านมารู้สึกพุทธศาสนาชนชาวไทยก็ไปทําบุญกันมากยิ่งขึ้นครับ <was> <ะ>รู้สึกหนาตานหน้าตาะะทีท่ท ว, <ๆ>วัดเองก็ดึกดื่นตั้งสี่ห้าทุมแล้วก็หนุ่มสาวๆยังเวียนเทียงอยู<ด>่เวนะียนเทียนกันตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็เวียนจนดึกครับเราก็ว่านั่งรู้ก็เด็กๆนุ่มๆสาวๆเยอะ เรวก็ดีใจว่าเอ็นเด็กๆกเข้าเข้าวัดกันนครับแล้วก็ตอนตอนนี้ก็บวชหน้าที่วัดเนี่ยวันนี้คนเยอะแล้วก็หนุนหนุนสาวๆครับนี่คนเยอะมากหนุนสาวๆก็นำไปในมิหายทีดีนะครับสำหรับพุทธศาสนาของเรานะครับสายแรกมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารยปานขาธรรมนะครับเชิญเลยครับคาจารย์สวัสดีครับอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยทา ได้ทาอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งผิดศีลนั่นนะฮะเราจะสามารถเตือนท่านหรืออว่ากล่าวอะไรอย่างนี้ะจะตบบาปไหมครับครับหรือจะฟังทางวิทยุกันนะครับขอบคุณมากครั บ, <อ>บสวัสดีครับคือบาปมันไม่บาปอะไรหรอกแต่ว่ามันมีวิธีพูดหน่อยก็และการคือว่าให้มันนิ่มนวลอย่าถึงอย่าอย่าถึงให้ท่านมีความรู้สึกว่าเราเราไม่เคารพท่านเลีวดูหมิ่นท่านครับ ก็ข้อสำคัญวิธีพูดคือใช้บรรยากาศของครอบครัวนะฮะเวลาคุยแล้วก็คุยคุยกันเป็นการให้สติกันไปครับคือพ่อแม่ในข้อสำคัญอย่าให้รู้สึกว่าถูกสอนครับนะถ้าถูกสอนบางบา ง, บางท่านเนี่ยท่านก็อ้างจะนาบางร้อบก่อนแกอยู่ด้วย <c oughs> <c oughs> บาปไม่บาปไม่กุศลเจตนานะให้ช่วยปกป้องพ่อแม่จาก จากการก็ทำบาปเนี่ยที่จริงก็คือโปรดพ่อแม่อย่างหนึ่งเมื่อ ก, การบวชกันแหละนะพอ่อครับผมขอบคุณทุกท่านครับสาที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาารธรัน์หลวงพ่อนะคะอยากสอบถามว่าคือมีพระานหรือที่บ้า น, นะคะแล้วปกติหนูก็จะเปิดท่านดูววนวันครบรอบหได้มาหรือไม่ก็วันันทร์ว่าสาคัญใที่หนูอยากดูกเลยนยคะแล้วพาเมื่อวานวันมาข่าวอุาหนูเปิดดูแล้ว ทานน่าเปลยนไปไหนังว kind of er <Ø> ่าเขาเลย2องอค์เองก็ไม่ได้ทาไม่ดีอะไรหรือไทำเขอนเดมวันแต่ว่าที่บ้านเ er ครื่องบินผจะเสียดครับไม่แต่ว่าเพอาะื่อยงดังหรือเพาเด็กไม่ดีหอระไรยสองค์เองค่ะคครับผมี่อะไรนะอยู่แถวไหนนะครับผมไรกะบังไรกะบังออกเครื่องบินบินนะครับผมอย่างไงเดี๋ยวเรฟังทางวิทยุนะครับ เขจริง ไ, ได้เป็นดเดมิล่อะไรเหมนเคยสวดมาว่าวกาท่านเหมนเดมเลยผมไม่ไแน่ใระท่านอ๋อไม่มี ม, ม, มีมีอยู่สององค์ใช่ไหมครับตอนนี้เ ส, สเด็จหายไปแล้วหรือครับมีอยู่ห้าสิบหองแล้วเม่าเปิดดูเลยสององค์ก็ไม่ทราบอ๋อเหรอครับผมครั บ, ร บ, รบแล้วฟังเจ้าคุอาจารย์ทางวิทยุนะครับคุณนะควิทยาราครับผมมีอยู่ห้าสิบองค์กเสด็จหายไปละสององค์พระวรวณุทีกรทานเลยครับผมก็ต้องสวดมนต์ต่อนะฮะคือคือคือยามที่บอกว่าวันก่อนพระวรวิุที่กทานนั้นเป็น ดีทานหายไปหมดเลยดทีแต่ก็ออมาเสด็จมาเยอะเลยนะก็พยายามสวดมนต์ไปเรื่อยนะฮะมันคงไม่เกี่ยวกับเครื่องบินอะไรหรอกแต่ว่าก็พยายามสวดมนต์ให้มันถูกต้องประเดี๋ยวท่านก็เสด็จมาครับก็ก็เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์มาเองไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเท่าเท่าที่พบเจอมาก็มีลักษณะอย่างเนี้ ทุกคนจะก็ไปรายการโทรบทาผมว่บทสวดนี่ใช้บทสวดอะไรครับทุกคนครับที่ใช้กันทั่วไปก็ก็แล้วแต่เขามีบทนะฮะก็มีบทสวดครับผมกามีบทบูชาอยู่ก็ที่จริงก็อิทิปิโสสวัสดะ์คาโตสุปฏิบัณโนนาเดชประสงค์นะฮะครับถ้าถ้าคือบทนี้บทอื่นที่จริงเขาก็แต่งขั้นหลังอครับแต่อิทธิปิโสสวัสดิ์าโตสุปฏิบัณโนนี่มันออกมาจากพระโอษพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการสันเริญพระรัตนตรัยโดยรวมไปเลยคือกานึกก็ไลยไม่ออกก็ตรงเนี้ยอยากอิทธิพิโสขอบคุณทก่คุณใจกับสายที่สามมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสอบสายได้เลยครับเอาผมขอฟังทางวิทยุนะครับได้ครับขอความกมุณาครับลูกเมียแล้วก็ลูกหลานรอฟังอยู่ ขอถามต่กสองข้อครับรบเราบกวนผู้จดังที่หนึ่งนะครับสายค่อยมากเลยครับครับครขอขอรบกวนถามต่กสองข้อได้ครับก็แรกครับผมข้อแรกก็คือธรรมยุทธกับมหานิกายต่างกันอย่างไรนะครับครับผมแล้วก็ข้อที่สอง ทื่เขาไหวเจ้าไหวบรรพบุรุษนี่จะได้กุศลอย่างไรหรือไม่ได้อย่างไรครับเพื่อตอบให้ในครับลูกหลานนั่งรอฟังนั่งนั่งยิ้มกันยได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมาครับขอบคุณมากครับป็นะไรกันครับสวัสดคือคณะธรรมยุทธ์กับคณะมานิกายเนี่ยที่จริงก็เป็นพระสงฆ์ไทยด้วยการนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุทางการศาสนาในสมัยรัชการที่สี่ก็เลยก็เกิด นิกายทำยุทขึ้นครับพระนิกายเดิมก็ถูกเรียกเป็นหมานิกายที่จริงถ้าไม่มีทำยุทก็ไม่ต้องเรียกหรอกเพราะฉะนั้นมันมั น, ม น, มนเวลานี้ที่จริงที่จริงมันก็เป็น้หนึ่งกันเดียวกันนะครับอย่างวันนี้ไปไปขอศพก็นั่งกันทั้งทำยุทธหมานิกายก็เต็มไปหมดเลยครับ คือคือเราไม่รู้สึกแตกต่างเดี๋ยวนี้มันเป็นเพื่อนกันเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นศิษย์กันครับอะพระมานิกายก็มาพักวัดธรรมยุทธพระธรรมยุทก็ไปพักวัดมานิกายมันมันมันไม่รู้สึกนิกายอะนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมันลดลงไปเยอะครับก็มันก็เหมือนกันนกสองปีกนะฮะครับคือคือก็บินไปด้วยกันก็ดีไปครับ ทีนี้การการบูชาพวกเทวดาบรรพบุรุษอะไรๆเนี่ยก็ที่จริงก็คือเทวดาผลีเทวดาผลีนะแล้วก็การทําบุญอุทิศอุทิศกุศลให้แก่บรรพชนเนี่ยมันก็เป็นบุญอยู่แล้วโดยโดยโดยสถานะของเขาเนี่ยคือหมายความว่าสิ่งที่เราทํามันก็เป็นบุญครับแล้วก็เมื่อเราตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็เป็นบุญบแล้วเมื่อเขาอนุทนาเขาก็ได้บุญอ่มันเป็นกระบวนการของบุญทั้งสามเรื่องนะฮะเราทำไปเถอะ ก็มันมีแต่ผลดีอย่างเดียวมันมีผลเสียอะไรก็ไม่อยู่ทุกศาสนานั่นแหละวิธีการเหล่านี้แต่ว่ามันต่างกันในเชิงรูปแบบแต่ในเจตนารมณ์แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันคือต้องการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ท่านที่วายชนไปแล้วครับขอบคุณทุกผู้ใจกับสายที่สี่มารออยู่ครับสวัสดีครับ ครับผมแล้วกับข่าวที่ดังกลบไอทีวีนะะคือขุนพันธรัชดาเดลตนะฮะประวัติของท่านว่าท่านเป็นขุนพลขมังเวทนะฮะแล้วก็ก็ผมก็สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าครับก็ขังเหนียวหรืออะไรอย่างนี้นะก็เห็นปากใต้ของเรานี่แหมก็โดนตลอดแล้วไม่มีนะขึ้นนึงนะครับครับผมข้อที่สองตอนผมเด็กๆเนี่ยก็บอกว่าบทเรียนแล้วนะะเราปฏิบัติดีเนี่ยเราจะตายอย่างไปขึ้นสวรรค์ขณะขออีกครั้งนะครับครับ ตอนที่ถ้าเราบวชเรียนในพุทธศาสนานะฮะตอนที่เราตายไปแล้วนี่นะฮะเราหรื อ, อเราก็าอาจจะได้ไปเกิดในสวรรค์นะครับท<อ>ีนี้ปัญหาว่าขณะที่เราบวชนี่นะฮะรเราก็ต้องละกามีใช่ไหมครับครับแต่พอไปเกิดในสวรรค์ปรากฏว่ามีทั้งนางฟ้ามีทั้งเทวดา น, <c oughs> นจะเป็นการอดไี่ยอมกินหวานหรือเปล่า <c oughs> น, นนี่คือปัญหาสออย่างครับค <c oughs> รับขอบคุณมากเลยครับครับผมเรื่องขุนพัทลักษณเขาจะดูครับ เลยนะขุนพันธลักษ์อ๋อคือขุนพันธลักษ์เนี่ยครับตอนนอกมาเป็นเด็กเนี่ยคือท่านไปยิงกับเสือค้อย อ, อแล้วก็คนลูกน้องเนี่ยก็ส่งปืนให้ท่านก็นั่งยิงกันสองคนน่ะต่างคนต่างยิงไม่เข้าหรืองไงไปยิงด้วยกันน่ะเพราะงั้นไอ้พวกพวกเหล่านี้มันมันก็มีแต่ว่าคือสักขนาดสักสี่ห้าพันคนเนี่ยมันได้สักคนเนีย เปอร์ เ, เซ็นต์จะต่ำมากคล้ายๆกับพวกหมอทางเอ ก, กระดูกอะไรอะไรสมัยโบราณน ะ, ะถ่าน้ํามันเศษกระดูกต่อกระดูกเนี่ยมันก็มีแต่ว่าคนจะทําได้จริงๆนี่ จ, จิตใจต้องหนักแน่นมากครับนะอย่างเนี้อย่างอย่างหลวงสุปิชาลาสายนี่ท่านก็เก่งในเรื่องแบบนี้ก็รุ่นของท่านท่านบอกว่าเป็นพันแต่ว่าท่านก็เก่งกคนเดียวทําได้คนเดียวถ้าถ้าคนทําได้ก็คือทําได้นะฮะก็ เวลานี้แนวตรงนี้มันค่อยๆหายไปแล้วครับอ่เพราะงั้นแล้วก็บ้านเมืองมันก็เปลี่ยนอ่ะมันเป็นเรื่องปืนมันแรงเกินไปมันคงจะต่อสู้กับปืนสมัยปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับผมมันก็เหมือนกับกำลังภายในของจีนเนี่ยมาพอปืนเข้ามากำลังภายในก็หายก็ไม่ได้ครับมันเรื่องยุคสมัยหนึ่งครับครับเขาสอบบทเรียนแล้วไปสบายใจนางฟ้าคือคือมัน ที่จริงมามีมีรายการที่บรรยายตอนเนี้ยแต่จะออกวันไหน ก, ก็ก็ไม่ทราบเรื่องอัชราสูต ร, ร, ตรคือคือภิกษุเนี่ยภิกษุท่านท่านท่านท่านเจริญกรร ม, มาฐานเข้มงวดมากไม่ยอมไม่ยอมนอนเลยไม่ยอม แ, แล้วเกิดเป็นลมะตายครับผมตายปั๊บเราเกิดปุ๊บบนบนหน้าประตู ว, วิมานบนหน้าประตู ว, วิมานครับผมพอในวิมานเรากอดเทพสอนอยู่เต็ไมไปหมดเลยครับแล้วก็นางเทพสอนก็ก็ เพื่อต้องการจะเตือนให้เธอให้ให้เธอรู้ว่าเธอเป็นเทพบระภูตแล้วเนี่ยก็บันเลงลุนซีขึ้นมาท่านก็ยังรู้สึกว่าทําเด็นพระจ้ะท่านก็สำรวมท่านไม่ฟังท่านไม่หันไปดูเลยนางเทวสองทำยังไงท่านก็ไม่สนใจจนถึงเอากระจกมาให้ให้ท่านดูตัวท่านครับท่านตกใจว่าเห็นว่าท่านท่านตายแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้บวชมาเพื่อได้นางอับสองนี่ ราบวชมาพู้ได้มักโผล่นิปานเลยไม่ยอมมากลับประคาพพระวุทธเจาเลยครับผมพระพุทจ้า ก, ก็เทศให้แล้วท่านก็บรรุณโสดาโอ้โแล้ท่านก็ต้องกลับไปตามกรรมนั้นนะฮะกลางไปอยู่สวรรค์ไมมามันไม่ใช่เรื่องอดเรียกไว้กินหวานอะไรล้วก็มันคนละเรื่องกันครับคือการบวชของพระเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่จะบังเกิดเป็นเทพบุตรครับแต่ว่าแล้วก็ผิดวินัยด้วยนะเขาเรียกเมถุนสังโยข้อสุดท้ายเลย การประพฤติพรหมจรรย์ด้วยปรารถนาการเป็นเทพประบูร์เป็นเทพในกายคนใดคนหนึ่งเนี่ยครับศีลที่อโวขาดที่ว่าทารู้ชื่อวกระด่างชั่วพร้อยเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่ไม่บริสุทธิ์แต่ทีนี้อย่าลือมากระบวนการของกรรมกระสังสารวัตรมันเป็นเรื่องของเหตุปจัจจัยครับแล้วก็ถ้าท่านอยู่ตรงนั้นท่านก็เป็นด้วยกําเนิดอะ่ะครับแต่ก็ต้องอยู่อีกอย่างหนึ่งครับ มันก็เหมือนกับคนบวชแล้วก็สึกนี่แหละครับคือตอนบวชดูมก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไม่ได้พอสึกกไปที่ทานก็แต่งงานฮะเขาก็ไม่ได้นั่นอะไรครับขอบคุณที่คุจานข้อสายที่ห้าครับสวัสดีครับไปแลกันครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วน้ำสตรีมัสการพักรยาเจ้าขอคุณค่าทางคุเรียสว่าถูครับขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งค่ะครับจัดเลยครับ คือว่าเราฝันเห็นบุตรที่ตายไปแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปทําบุญบวดน้ําให้เนี่ยไม่ทราบว่าเขาจะได้รับส่วนกุศลเทศ่ลวุนที่แท้หรือเปล่านะคะข อ, อ, ของความทางวิญญาณนะคะครับผมขอบคุณมากครับคือเรื่องการเรื่องเรื่องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอย่างเคยเจออยู่บ่อยนะคือหนึ่งเราต้องทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสองเราตั้งใจอทุทิศส่วนกุศลไปให้บุคคลผู้นั้นครับแล้วก็ 3, สามเคารพทราบเรื่องมรณา เพราะงั้นถ้าถ้าท่านในกรณี น, นี้ถ้าทางก็แสดงว่ า, าลูกก็ต้องการจะได้ส่วนบุญก็แสดงว่าคงรออยู่นะเมื่อโยมอุดทำบุญอุทิส่วนกุศลไปให้ก็คงได้รับแล้วนะฮะแต่ว่าได้รับหรือไม่รับมันคนละเรื่องกันคือเราเร า, เรา ห, นหน้าหน้าที่ของเราเราทําแล้วครับ่ส่วนลูกเขาจะอนันมุทนาหรือไม่ ก, ก็อีกเรื่องหนึ่งคอนันโมุทนาเขาก็ได้แม้นมทนาเราก็ได้แล้ว อันผ่ครับผมขอบคุณครับสายที่หกครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอารัชกาลพระคุณเจ้าครับอสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับครับสวัสดีครับสุดเรื่องพรจากัยนิกายที่ว่ามาจีนเนี่ยุทมานีิครับผมมีากจะเรียนว่าอนิกายจริงๆสมัยพุทธเจ้านี่นะครับมันน่าจะเป็นนิกายเดียวนะฮะปรากฏว่าทุกวันนี้หรือแม้แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเกากลายเป็นนิกายต่างๆ ออกไปตามต่างประเทศออกไปต่างประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้การที่มาทําให้นิกายของพระเจ้าเนี่ยแยกออกเป็นหลายนิกายเนี่ยถือได้ว่าเป็นอนันตรียกรรมอย่างหนึ่งหรือไม่อสองนะครับครับในเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันก็เลยมีความอไม่ไม่ไม่ไม่เป็นสุขในในพุทธศาสนาทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาอย่างยิ่งในกระทั่งว่าเอาไม่ต้องเอาไก่เอาบ้านเราเนี่ย ก็จะมีเจ้าสํานักนั้นเจ้าสํานักนี้สร้างกันนี้ไอ่ทําเป็นฉบับฉบับของตัวเองออกไปอย่างนั้นนะฮะรับพ <üyor> ูเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเผมก็สงสัยว่าวไอเหตุบ้านเมืองเราที่ที่เราเป็นอะไรทุก ว, วันเนี่ยมันอันที่เกี่ยวกับพุทศาสนาเนี่ยมันอันเนื่องมาจากอันเรี่องศีตรงนี้ใช่ไหมครับครับเัาฝากทานพิยุทนะครับครับขอบพระคุณมากครับคือเรื่องศาสนาในเรื่องสําคัญก็คือเรื่องศีลกับเรื่องความเห็นครับ ธาต์ศีลเกิดรังเกียจกันด้วยศีลและพระจะถอยห่างออกไปเองแล้วว่าหรือว่าความเห็นไม่ลงรอยกันตีความธรรมะไม่ตรงกันแต่มันก็จะแตกต่างกันในด้านความเห็นก็เรียกว่าขาดศีลสามัญญาตากับทิฏฐิสามัญญาตาแต่และฝ่ายนั้นเจตนาดีด้วยกันครับคือถือว่าสิ่งที่ตัวตัวปฏิบัติสิ่งที่ตัวเห็นนะั่นคือความถูกต้องแล้วเมื่อคนอื่นไม่ไม่เห็นด้วยท่านก็แยกตัวเองเออกไปครับ มันก็ค่อยๆถางออกไปเองนะฮะ <c oughs> ค่อยๆถางออไปเองโดยกฎธรรมชาติของเขาแล้วก็เพราะงั้นศาสนาในโลกจึงมีหลายนิกายทั้งนั้นแหละเพราะว่าคำคาสอนเดิมจริงๆเนี่ยพอคนรุ่นใหม่มันก็ตีความต่างกันไป <c oughs> แล้วก็ต่างคนดังก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองตีความแต่ว่ากลายเป็นความถูกต้องเพ <c oughs> ราะงั้นเราเราจะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ยาก แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้นมาต่างเนี่ยมันก็เป็นความอ่อนแอของการปกครองคณะสองฆ์อย่างหนึ่งรหรืออย่างหนึ่งก็คือทางรัฐเองนั้นได้ทอดทิ้งพระศาสนามาหรือตอนเขาเอาอามามาจากในหลวงเนี่ยเขาลืมไปว่าองค์รัฐาธิปัตต์มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสนุปธรมรมเป็นองค์เอกอักรศาสนาสนุปธรรมต้องดูแลศาสนาด้วย ทีนี้ปัญหาบางอย่างเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็รัฐไม่ช่วยเหลือทางคณะสงฆ์ก็ทำอะไรไม่ได้ครับนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายมแล้วก็พระไปล่จับคนเนี่ยก็ก็ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ทีนี้เวลานี้มันมีกระแส ข, ของสิทธิมนุษยชนชนะกฎบัตรสังคมชาติแล้วก็กฎหมายรัฐธรรมนูญเองก็ไปยอมรับรัฐิความเชื่อถือต่างๆเอาไว้ ทำให้มันเกิดเป็นปัญหาในสังคมแท้จริงมันเป็นปัญหาในข้อกฎหมายคือกฎหมายไปเปิดโอกาสให้แก่เขาทาให้เข้าไปพอพอเราจะอ้างกฎหมายเขาก็อ้างถูกอ่ะเพราะมันมีอ่ะท <laughs> ีนี้มันมันปัญหาเราเรื่อนี้คือทางรัฐเองก็ต้องให้การสนับสนุนคณะสงฆ์แล้วก็ลักษณะของพระราชบัญญัติที่บริหารคณะสงฆ์อยู่เวลนี้มันขาดการล้ามขาดความคร่งอ ง, รงตัว เพราะหมหาเทรมาคมเนี่ยมันเป็นอานงอ่ะคือไม่มีองค์ ม, มันต้องประชุมครับครับต้องประชุมแล้วลงเป็นมติแต่ละคนเนี่ยสั่งการอะไรไม่ได้เลยโอต้องประชุมแล้วลงมติแล้วก็ลงพรนามจนเดือรัฆราชลงพะนา ม, มจึงสามารถบังคับได้ต้องมติมาใช่คร<ช>ับ<ช>ทีนี้พอพอเลิกประชุมเนี่ยแต่ละองค์ก็คือสมบานครับ แล้วก็มีตําแหน่งอย่างอื่นแต่ว่าจะสั่งการในนามมามาอาเทมาคมไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ใช่เป็นอานาจเฉพาะตัวครับแต่ว่าเป็นอานาจขององค์กรคร่คะค่าก็เป็นบอร์ดอ่ะเพราะงั้นมันมันการบริหารศาสนาในลักษณะนี้ที่จริงมันมันไม่เหมาะสมครับผมแล้วก็เอากฎหมายเข้ามายุ่เกี่ยวมากเกินไปครับแล้วก็พระกาไปให้ความต้อการในกฎหมายเพราะงั้นก็ด้านพระวินัยเลย แลยค่อนข้างมีปัญหาครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแก้แก้ไขยากนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปเนี่ยก็น่าจะเข้าเดิมเหมือนเดิมเข้า้า40นะฮะครับผมครับคุณครับก็ลองดูกันก็แล้วกันครับผมขอคุณท่านช่วยแจกครับ022413315นะครับ022413315นะครับครับผมสายต่อไปครับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมขออนุญาต ขออนุญาตจริงให้ตอบตรงๆท่นิี้จะกล่าว่าคนจีนหรืออผู้ที่เป็นบรรพุทธจีนเนี่ยถ้าหากว่าคนจีนเขาไหว้เจ้าไหว้บรรพุทธินี่แล้วฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าปลาอะไรอย่างเงี้ยเราไปไหว้แล้วมันเขาจะได้บุญหรือครับในเมื่อศาสนาพุทธของเราเนี่ยตัดไว้ว่าพระพระองค์เจ้าตัดไว้ว่า จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถึงจะไปทำบุญแล้วถึงจะได้บุญเพราะนั้นคนทีนเนีเขาไม่ว่าจะไม่ว่าจะกีกีบ้านกีกีจังหวัดอะไรก็แล้วก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วไปไหว้บรรพุลุ่นเป็นเทศแล้วจะได้บุญนะครับครับขอบคุณมากครับกระทำกรรวิธีดุครับคือบุญนี่โดยเหตุก็คือการชำระชาระล้างกิเลสออกไปจากใจโดยผลก็คือความสุข เพราะงั้นเราเห็นว่ามันก็มีสองตอนในส่วนการฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นบาปไปครับผมเราไปเศษ บ, บาปไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นกฎสากลครับแต่ที น, นี้การบูชามันก็เป็นบุญไปบางคนเราประเด็นกันครับนะเพราะงั้นเราก็ต้องต้อ ง, ต, องต้องแยกไข่ออกว่าแม้แต่ว่าชาวพุทธเราบางทีก็ฆ่า ขับปลามาแกงสวายตาอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับกขา <c oughs> <ๆ> ก, ก็ก็แยกกันไป <c oughs> ส่วนบาปก็ไปส่วนบุญก็ไปครับนะทีนี้เมื่อเมื่อเขาศรัทธาเขาอย่าลืมว่าคนจีนเนี่ยสามารถที่จะหลอมรวมชนชาติของตัวเองไว้ด้วยวัฒนธรรมจีนนะครับนี่คือแสดงว่าขนาดคอมมินิเตยังทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีวัฒนธรรมเ็าแข็งมากและนี่คือหนึ่งในวัฒนธรรมเก่า เพราะฉะนั้นเราเราจะต้องเคารพว่าพิสูตรได้สามารถสร้างเอกภาพขึ้นในสังคมจีนทั้งในประเทศล้วจีนพ้นทะเลได้ครับให้มาพบกันที่ตัววัดนรรครับครับเราะฉนั้นเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นชาติที่มีมีวัฒนธรรมแข็งมากครับ แล้วก็น่าสนใจเราเนี่ยครับขอบคุณจ้าคุณจ่าจครับสายต่อไปนะครับ022413315นะครับรอรับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาครับเจ่าคุณจ่ครับแฟนรายการโทรมาถามผมบอกว่าอย่างฟังข่าวนะครับ เรื่องหมอประจิตเผานะครับไปนั่งสมาธิแล้วปรากฏว่าเกิดนี้ไม่เห็นอย่างนี้เอ้ะทาไมการนั่งสมาธิหรือว่าการทํำวิปัสสนาเนี่ยถึงได้ทําให้คนเกิดเป็นอย่างงี้ได้ได้ครับทุกผู้ชมครับคือมันมันอาจจะคนละเรื่องกันคนละเรื่องครับแต่เราก็จับมันชนกันเฉยครับผมเพราะว่าจากการข่าบอกว่าตรวจพบยาอะไรอยูตั้งสองกว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะอาจจะยานั้นแหละก็สร้างเกินเป็นผ้าประสาทหลอนขึ้น ครับแต่ว่าจากสํานักที่ว่าเนี่ยแนวพวกนี้เขาเป็นแนวชี้ชี้ชนําความคิดครับผมนะซึ่งโอกาสที่จะกลายเป็นอุปท า, านคือจินตนาการเป็นภาพขึ้นมาที่ตัวเองสร้างขึ้นตามตามการบรรยายของครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีได้ครับผมมีได้เพราะว่าออจะเนินหนักไปในทางจินตนาการครับก็เคยมีลูกศิดามาเขาคุยว่าเขาไปไปเข้าสมาบัติอยู่ที่สํานักเนี่ย ครับแล้วก็เล่าให้ฟังมาบอกคุณนั่งตรงนี้แล้วลองเข้าไปดูทีครับเดีย๋ยวบอกไม่ได้เขาไปได้ไไดค้คือคือมันมันมันจินตนาการในแนวนี้มันเกิดได้นะเกิดเราไปเศษ็จเลยว่าไม่เกิดไม่ได้หรอกแต่ว่าจิดดตออใจคนตองอ่อนใจคนตออ่อนครับ แต่หมอเนี่มายังนึกว่ายามากกว่าเป็นที่ยามากกว่าครับใชครับผมคนก็เลยกลัวไม่กล้าเป็นนักสมาธิเลยไม่ไม่เกี่ยวนะครับที่คุณแจงครับครับผมครับผมขอบคุณที่คุณแจงครับสายต่อไปครับสายที่แปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอถามปัญหาหนึ่งนะครับครับผมครับผมอย่างเราชาวพุทธเนี่ยนะครับที่ที่ผมเข้าใจก็คือเราสัพสือรัตนใจพระรัตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยก็คืออย่างจะมีเออก็คือจะมีกระแสมาอย่างเช่นบุทราเทพองค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างนี้นะครับอย่างน่าสุดก็มีขององค์จตุคามรามาเทพ<ป>อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยเออจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเดี๋ยวสำหรับชาวพุทธถ้าไปไปไปบูชาอย่างนั้นเนี่ยจะถือเป็นสีลับพรตาตามากหรือเปล่านะครับด้วยความที่เราควรจะอันนี้ผมผมก็ไม่แน่ว่า ตามพระตรูหรือตามพระไตรปิฎกอะไรมีอ้างถึงอะไรยังไงแล้วเราเปชาวพุทธเนี่ยแท้ทจริงเราควรจะวางตัวยังไงกับเรื่องพวกนี้ขอฝากทางวิทยุได้ไหมครับครับขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับคืออย่างที่เคยบอกนะว่าคนเนี่ยมนุษย์ที่ภาวะมันแตกต่างกันครับระดับที่ต้องเล่นตุ๊กตาเรื่องของเล่นน้อยๆรถน้อยๆเรือน้อยๆนี่ยังมีอยู่เยอะในสังคมเราเนี่ยครับเพราะงั้นถึงแม้จะคน ผู้ใหญ่จํานวนมากที่เล่นเล่นตุกตาไอ้โรงปิดปิดตุกตาก็ต้องมีอยู่นะเพราะยังมีเด็กอยู่ครับทีนี้ความเชื่อถือในลักษณะนี้เราต้องเข้าใจนะว่ามันเหมือนกับเรามีพ่อแม่เราก็นับถือพ่อแม่ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ครับแต่คนปูนเดียวกับพ่อแม่เราเราก็นับถือครับแต่ไม่ใช่นับถืออย่างฐานะพ่อแม่เพราะในเทวดาเนี่ยที่จริงก็คือเป็นกาลยานจิตคือสร้างความเป็นมิตร ูุเจ้าก็สอนในพีกรรห้าประการนี่มีเทวตาพลีนะแล้วก็ในกรรมฐานก็ยังมีเทวตานุสติครับนะเพราะว่าเทวดาก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นเองครับนะทีนี้บางเรื่องเนี่ยทางก็เป็นเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุยืนกว่าเราเราก็ให้ความเคารพนักสือครับก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกเขาไม่ได้ทิ้งพระรัตนตรยัย และที่จริงมันเป็นบันไดที่จะเชื่อมต่อไปหาพระรัตนาใจครับเมื่อคืนเทียฮะฟังลูกขุนพันธ์อธิบายเองเลยลูกลูกขุนพันธ์เองลูกศิษย์ลูกศิษย์เอกเลยครับเขาบอกว่าเขาต้องการเป็นสะพานเชื่อมต่อไปหาพระรัชนาใจครับว่าสภาพแวดล้อมในใตในพิรีกรรมใน เ, นเรื่องปรัชนาใจทางนั้นไดเละ แต่ทีนี้อย่าลืมว่าการทําความดีของคนมันมีอยู่สองประเภทคือทําความดีแบบเด็กกับทาความดีแบบผู้ใหญ่ครับทําความดีแบบผู้ใหญ่นั้นเมื่อสํานึกวันนี้เป็นความดีท่านก็ทําเพราะท่านเป็นบุญยุชนแล้วครับแต่ว่าเด็กนั้นจะต้องขู่ให้กลัวหรือว่าต้องล่อโดยผลประโยชน์ต่างๆเธอจึงทําไม่ทําเชี่ยนนะถ้าทําจะให้รางวัล น, นะ่นะฮะ <laughs> เด็กมันก็ใช่ไงนะ <laughs> ทีนี้อุธทีภาวะกองคนระดับนี้มันยังมีอยู่เยอะนะครับ แต่ว่าเจตานาจริงๆเขาต้องการจะให้คนยึดมั่นในพระศานาใดร oh. ปราะนั้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยก็ไปดึงคนเข้าคือคื อ, ค, อคือเรียกว่าขึ้นบันไดอะ่ะข <Okay. S 2> ึ้นบันไดไปแต่ยังยังไม่ถึงก็ดีกว่าไปทําชั่วเยอะครับพอ๋อพอนคือคือเราอย่าไปขิดเส้นนะฮะอย่าไปขีดเส้นอย่ามองโลกว่าขีดเส้นต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นมันไม่ <Okay. S 2> ได้หรอก <Okay. S 2> คนมันเกิดมาทุกวันนะฮะ <laughs> คนมนเกิดมาทุกวนัน เราก็ต้องไประดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเศษโดยสิ้นเชิงนะพระพุทธเจ้าบอกว่านี้ไม่ใช่ศาสะนา อ, อุดมไม่ไม่ใช่ศาสะนาเกษตไม่ใช่ศาสะนา อ, อุดมพูดถึงสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อแต่ว่าพระสูตรบางพระสูตรเช่นการนิยมตทศสูตรเนี่ยค ใ, ใช่ไหมก็ทรงสอนให้สร้างความเป็นมิตรกับเทวดาออืเทวดาก็ รู้สึกเป็นไม่ด้วยก็ให้การรักษาคุ้มครองพิกษูพิกษูก็ปฏิบัติมรรคผลได้สําเร็จครับเพราะว่าเทวดาให้การคุ้มครองรักษาเพราะฉะในในพระสูตรเนี่ยมันมีอยู่เยอะเลยอยัางอย่างอย่างสูตรหนึ่งที่เทวดาล้วนๆเนี่ยมหาสมัยสูตรอย่างเงี้ยอาตานาพิสูตรอย่างเงี้ยะมันก็มีเรื่องเทวดาอยู่เยอะขอบคุณที่สนใจครับสายที่เก้ามารออยู่ครับสวัสดีครับครับผมครับรบกวนพูดดันนิดนึงนะครับ ครับผมสอบถามได้เลยครับถ้าเกิดยุงมันกัดเร า, า, าค่ะแล้วเราเจ็บเราตบยุงตายเนี่ยค่ะเรารบาปเลยคะเราตบยุงเลยครับครับผมแล้วฝากคำพิจิตรนะครับขอบคุณมากครับใส่ใจคื อ, อสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะฮะเราไปทําก็ตายเราก็บาปด้วยกันดังนั้นครับนะแต่ว่าบาปมันมากหรือน้อยถ้าบาปมากมีเกณฑ์กําหนดอ่ะหนึ่งสัตว์นั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อยครับ นะถ้าสัตว์มีคุณมากในเจตนาที่เราฆ่าเขาเนี่ต้องแรงครับแล้วความพยายามก็ต้องมากแต่ยุ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณไม่มากเพราะฉะนั้นเจตนาจึงไม่แรงครับแล้วความพยายามก็ไม่มากบาปยิงน้อยแต่ก็เป็นปนาณาธิบาตอยู่นั่นแหละครับนะเรื่องบาปเนี่ยมันเป็นกฎนะครเป็นกฎสากล <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาไหนเลยฮซึ่งกฎหมายความว่าถ้าทําอย่างนี้ก็เป็นบาปทั้งนั้นะมันเป็นกฎกฎที่ครอบ จักรวาล น, นี่วอาไว้ไม่มีใครมีมีสิทธิ์มาอ้างคว่าทําอย่างนี้ได้เป็นสิทธิ์ที่คนตัวเองไม่มีสิทธินในการฆ่าฆ่าเพื่อนร่วมโลกนะไม่บาปนขอบคุณที่ใจครับมีแฟนรายการจากเพชรบุรีฝากถามมาหลังใหม่นะครับเ อ, อข้อที่หนึ่งอยากให้ท่านเจ้าคุอาจารย์ช่วยขยายความหลักธรรมเนื่องในวันมาคะบูชาว่ามีอะไรบ้างครับครับโ อ, อ, อคือคือในบัตรวันมาค้าบูชาเนี่ยครับ เป็นเขาเรียกวอวาทปติโมกแปล ว, ว่าพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานเป็นการแสดงถึงธรรมะปฏิบัติระดับอุดมการณ์ผลระดับอุดมการณ์บุคคลระดับอุดมการณ์แล้วในขณะเดียวกันท่านอาจารย์สังเกตเดี ว, ว่าเป็นการปฏิบัติความเชื่อที่มีอยู่ในยุคนั้นทั้งหมดเลย คนสมัยนั้นถือว่าการทรมานร่างกายหรือการปลนปลือตัวเองด้วยพวกวัตถุ ก, การมทั้งหลายเนี่เป็นตบะ oh! สองสายนะฮะ <Okay. S 1> สองสายพวกวัตถุนิยมเนี่ยถือว่ า, ารปลนปลือตัวเองพวกจิตนิยมก็ถือต้องทรมานร่างกาย <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นตบะ <Okay. S 1> แต่พระเจ้าทรงแสดงว่าขัานตินี่เป็นตาบะอย่างยิ่ง <Okay. S 1> ทีนี้คนสมัยนั้นถือว่าการเข้ารวมกับปรมาตตมันหรือพรหมันหรือพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าชูตนิรันดรนี่ยเป็นบรมธรรมสูงสุดค ร, รับ พระเจ้บาบอกการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกนั้นเป็นบรุธรรมคนละเรื่องเลย<อ>คนละเรื่องครับทีนี้นักบวชของเขาในสมัยนั้นจะเป็นเจ้าพิธีในการฆ่าสัตว์บูชาญาณเป็นกลุ่มผลประโยชน์มหาศาลมากมากเลยรเรียดเงินชาวบ้านไถเงินชาวบ้านได้สารพัดฮ ะ, ค, ะครับเพราะบางที่ญาณบางอย่างนมันต้องฆ่าคนใช่ครับนะหมหายญาณใหญ่ๆนี่ฆ่าคนเลยค่าค่าเด็กฆ่าทาสีค่าทาสาค่า คนผู้หญิงผู้ชายะอะไรต่างๆเนี่ยบูชายันอ่าบูชายันบูชายัายครับทีนี้อคนที่ไม่ต้องการนะข่าต้องเงินไม่ให้พวกเนี้ยพวกนัก บ, บวชพวกนัก บ, บวชได้กินทั้งขึ้นทั้งลงเลยวนันพระเจาประกาศโครงไป <laughs> ผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบีย น, ยนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรนปะชิตไม่ชื่อว่าเป็นสามัะครับของเราเป็นเป็นเป็นนักบวชเราต้องเว้นบาปแล้วต้องสงบจากบาป อันนี้คืออุดมการ์าแล้วก็หลักการในี่สามสามข้อ<ช>คือกา ร, <ช>รไม่ทําบาปทั้งปวงคันตามกุศลอสมบูรณ์การนำจิตไปปองแพรว<อ>นี่ก็คือศีลธรรมที่ปัญญาหรือทานศีลภาวนา<ช><ช>แล้วต่อไปหกข้อเนี่ยหกข้อที่จริงเป็นวิธีการในการปฏิบัติตามหลักการทั้งสามประการ น, นี้เพื่อเข้าสู่อุดมการ์ทุกคนแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นคุณสมบัติที่เป็นบทพิสูจน์ถึงว่าคุณไม่ไม่ทําบา คุณ<ช>ทำกุศลจิตใจคุณอย่างอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องไม่กล่าวร้ายกับมไม่ล้างผลาญก็ไม่ทําลาย<ช><ม>คือหมายความว่าอย่างน้อยคุณต้องอยู่ในกายสุจริตสาประการ<ช><ช>ไม่ประทุษาร้ายต่อชีวิตประทุษาร้ายต่อทราบโลกละเมิดในทางเพศไว้จีสุจริตสอ่อสุจริตสประการ<ช>คือ<ช>งดเว้นจาการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเหลวไหลอันนี้ซึ่งเป็นการกล่าวร้ายและเป็นการทําลายนั้นพิสูจน์ได้โดยการไม่กล่าวร้ายและไม่ทําลาย ก็แสดงคุณเว้นบาปหรือแสดงคุณสงบครับหมายความว่าคุณก็ดับเพลิงกิเลสถึงทุกข์ได้ระดับหนึ่งนอกจากนั้นก็จะเป็นหลักการที่จะปฏิบัติแล้วมันก็กลายเป็นการไม่ทําบาป ท, ทั้งวงการทํากุศลสมบูรณ์การอนุปปภเพลนั่นเองครับเพราะงั้นเปนเป็นเป็นการประกาศครั้งเดียวนะฮะเหมือนกับธรรมานุน่ะจ้ะเหมือนกับธรรมานูญของพุทธศาสนาแล้วก็เราถ้าถ้าเราดูให้ดีก็คือเป็นอาเดียมักกับ นิโรธสะเป็นมัททัสสะกับนิโรธัสสะนครับข้อสองฝากถามมาว่าพระอาหารหันต์พันสองร้าสิบรูปนี่เป็นใครมาจากไหนครับออคือเป็นอดีตชดินพันรูปครับผมก็เรียกโบราณชดินพันรูปพวกอุรุเวลากาจปะหนทีกาจปาขยากาจปะเนี่ยครับแล้วกับพวกภาษาดีบุตรอีสองรอห้าสิบท่านเหล่านี้ที่จริงก็อยู่ในนั้นแหละในกรุงราชคฤห์นั่นแหละ วันที่ทรงแสดงาวาตวปาปฏิโมกประษาดิบุตรบรรลุมัคคุนเป็นสานพอดีโดยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ถ้าสุกราคาตาถ้าคนที่เคยไปอินเดียจะเห็นว่าอยู่ทางขวามือตอนขึ้นไปเนี่ยครับขึ้นไปสู่ภูเขาคิจกูดตรตงนั้นท่านเหล่านั้นก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นแหละอยู่ในป่าในถ้ำในเขาในพระเวฬุวันะอะไรต่ออะไรก็อยู่กระจายกันแล้วก็มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย แต่อย่าลืมพราานท่านมียานนะแต่ก็รู้ว่าอะไรเวลาไหนควรจะทำอะไรอย่างไ ร, รก็สองกลุ่มใหญ่นะฮะเป็นอดีตนักบวชทั้งคู่คเป็นพวกเส ด, ดินหนึ่งพันเป็นพวกปริพาชกผ่านอาสองพันห้าร้อยมุเจ้าตอนนั้นพุขเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาแล้วเจ็ดเดือนนะฮะอาจารย์เห็นว่าเอานักบวชนักบวชต่างาศาสนามามาถึงสามกลุ่มครั บ, รบพวกปัญญวคีเป็นภิกษุ โบราณชดินเป็นเป็นชดินแล้วก็เป็นวิปปายโชครับยังหนุ่มมากนะอายุสามยุกนะตอนนั้นครับขอบคุณเจ้าหน้าทครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าครับโทรสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาได้นะครับสําหรับขออย่าแฟนรายการนะครับที่จะเขียนมาขอหนังสือธรรมะนะครับก็จดหมายมาได้ที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมหกสบเอดปหลุโยธินเจตุจักร กรุงเทพหนึ่งศูนย์้าศูนย์ะครับเรากําลังแจกงสือธรรมะอยู่โดยท่านพลเอกเสรีและท่านดรชินิพรธุ์พุทธิพอกมาลท่านจะแจกเป็นธรรมบรรณัการให้กับ่รายการทุกท่านเลยนะครับหนังสือที่ท่านคุณอาจารย์เขียนแต่ละเล่มมีคุณค่ามากเลยนะครับตอนนี้เราก็ทยอยแจกไปเยอะมากเลยนะครับสายที่สิบเอ็ดมารออยู่นะครับสวัสดีครับฝ่รายการครับ ค, ครับผมเพือ่อถามว่าพัฒนาค่ะพุทธิพูนที่จันทบุรีกับ ที่อินเดียเหมือนันอ๋อเขาคิจกูดใช่ไหมครับ อ, อ, อ๋อที่จันทบุรีกับทีอินเดียแหละครับค่ะครับผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าคุณจะจะเปรียบเทียบให้นะครับค่ะครับผมแล้วฟังคำยุทครับผมอคือคิจกูดเนี่ยแปลว่าเมืองกับหัวแรงอ่ะเหมือนเมือนกับหัวอีแรงหัวอีแรงครับผมมองไกลๆในไกลๆอีแรงมันนั่งอยู่แล้วก็เขาก็เรียกคิจกูดครับทีนี้คิจกูดที่เมืองจันเนี่ยมาเองก็คือไปเมืองจันแปลว่า มันไม่มีรูปลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าเป็นการตั้งชื่อเรียนตั้งชื่อเรียนครับอ้ฟันครับก <remembers. S 2> ็ก็อยู่คนละประเทศนะนะอ้ฟันทีู้จัดครับแล้ววันนั้นดูดูรายการทีวีนะครับที่ Mt. ทุนสัญญาคุณากรได้พาท่านผู้ชมรายการไปที่สังเวียนสถานศึกษที่อิเนเดียนเนี่ยที่ผู้จัดครับอที่บอกว่าถ้าคนที่ไปสังเวียนยศสถานศึกแห่งเนี่ยนะครับ ได้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เจ้าพุทธเจา้าบอกว่าจะประกันว่าจะได้พบอาจจะได้ขึ้นสวรรค์นเนี่ยอา จ, จอารย์ท่าช่วยที่บายตรงนี้หน่อยครับคือหมายความว่าถ้าเราไปไหว้ในสถานที่สี่แห่งแล้วครับแล้วก็เกิดตายไปด้วยจิติศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยมันก็ประกันได้ว่าไปบังเกิดในสุกติครับมันก็ธรรมดานะฮะตายด้วยจิตที่ผ่องแผ้วมันก็บังเกิดในสุกติมันเป็นสูตรธรรมดาครับ เพียงแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เราไปถึงทําให้เรารู้สึกสัมผัสได้นะครับคือสังเวียนียฐานในลองสังเกตว่าคนเอกเสรีก็ไปหลายครั้งไงนะไหมคือคนไปเยติดไปะรเป็นเรื่องแปลกเลยอินเดียไปไม่ใช่สนุกหรอกครับแะะต่ไปเลิกครับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้าได้ไปไหว้พระสูตรโมนั่งสมาธิในสังเวีนียถานทั้งสี่แห่งถ้าจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเหมือนก็สัมผัสอะไรลึกๆเป็นพุทธานุภาพครับ เป็นความสงบเย็นค่าก็สยบเราไว้อัตมาเจอตอนไปไปติประเชศตวันมีพระลาวพระขมเรพระไทยพระเวียดนามนะไปกันหกสิบกว่ารูปคุยกันลั่นไปหมดเลยตอนนั่งในรถเนี่ยแต่แปลกพอลงที่ประตูประเชศตะวันปั๊บเหมือนถูกสะกดไม่มีใครพูดสักคำหนึ่งมีแต่พิธีกรองค์เดียวที่ที่อธิบาย แล้วก็ไปไหว้พระสูตรมนต์กันเสร็จแล้วก็เดินออกมาก็ไม่มีใครพูดเลยครับแล้ม้เโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยพุทธานุภาพยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นตั้งสิบเก้าปีมันมีพุทธานุภาพโดยเฉพาะที่ประคันตะกดีนี่ชัดมากเลยนะถ้านั่งสมาธิตรงตรงนั้นแล้วจะสามารถสัมผัสอะไรได้ลึกๆครับ่าครับผม ท่านจุกจัญครับแล้วสมมติว่าท่านตอนที่ท่านจุกุญจัญไปนี่สภาพต่างๆในปัจจุบันกับสมัยก่อนนี่ยังมีการพัฒนาเยอะมากมันมันก็ถ้าเราดูที่ภาพนะเอามามาเอามาก็กลับมาสามสิบปีแล้วนะครับครับกลับมากลับมาตั้งแต่หนึ่งเจ็ดสามสิบกว่าปีก็ภาพไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการปรับปรุงตกแต่งอะไรดีขึ้นนะนะเพราะว่าเงินมันเข้าไปเยอะ เงินของชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธในศูนย์ต่างๆของโลกเนี่ยไปบำรุงในสารที่นั้นก็ทาให้รัฐบาลอินเดียเขาก็มีมีงบประมาณในการจัด ก, การครับก็ต่อไปเนี่ยมา น, นึกว่านึกว่าเนี่ยมันมันจะกลายเป็นศูนย์ใหญ่เลยเพราะเครื่องบินของเรานี้บินบินตรงไปลงขยะแล้วตัวเองนะตรงเลยนะขึ้ น, น, นจากประเทศไทยไปลงขยะเลยเหมาลํำก็ได้ไปได้ ครับผมขอบคุณทุจานครับสายต่อไปครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอผมจะขอที่อยู่เอือจะพอตังซือหลวงพ่อนะฮะได้ครับอาหลวงพ่อนลยะได้ครับเอจะจะให้บอกทางวิทยุหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ตอนนี้เลยนะครับอาบอกบอกตอนนี้ก็ได้ฮะได้ครับเอมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับมหาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกทางวิทยุดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยช่วยรับสายหลังไม่หน่อยนะครับครับครับครับผม ครับครับเดี๋ยวทางอาจารย์ชาวพุทจะบอกให้นะครับว่าที่อยู่ของมหาวิทยาลัยเป็นยังไงนะครับึ่านผู้ชครับอย่างนี้อุดมการ์ของชาวพุทธเนี่ยแรงแงเแรงกล้าขนาดนี้แน่น่ะคนข้างหน้าที่ผมนึกถึงศูนย์สงเสรพุทธศาสนาเขาเชื่อย่าไงเนี่ยนี่ยังเป็นอุดมการของชาวพุทธเราเนี่ยนะท่านผู้ชครับจะได้ลงการสรรสร้างต่อไปกันด้วคือศูนย์ศูนย์พระพุทธศาสนาหมาถ้าใจที่จริงเป็นเรื่องที่สื่อสารยากครับ ก็ว่าสังคมพุทธเราเป็นเราเป็นเขามาจนชินคแม้แต่วัดก็เป็นวัดเราวัดเขาจนชินครับทีนี้ว่าทํายังไงว่ามีองค์กรกลางเะองค์กรหนึ่งที่เป็นที่ร่วมงานของพุทธบริษัทเนี่ยครับมาทํางานด้วยการด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการเผยแผ่ด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ระศาสนาเนี่ยครับแล้วเป็นงานที่ทําด้วยจิตวิ ญ, ญญาณคือเสียสละครับ เงินกรรมการศูนย์เนี่ยทุกคนไม่มีสตังค์ครับผมไม่ไม่มีใครได้เงินเดือนเลยแต่ว่าเวลาเราสื่อสารจะสื่อสารยากตอนนั้นเอามาออกประกาศทางโทรทัศน์ช่องห้าเรื่องจะสร้างศูนย์สงเสริมเนี่ยคุณจำลองออกประกาศจะหาที่เลี้ยงสุนัขปรากฏว่าเราไม่ได้สถานที่เลยแล่คุณจำลองในที่สามสิบก็ได้ที่ทุ่งสีกัน ค, ค, คนให้อ่ะ คนให้เป็นสถานที่สมาบเรียงสุนัรของคุณจำลอง <c oughs> แต่ว่าคนไม่เห็นด้วยในการคือคือไม่มีใครสนใจสอบถามเรื่องศูนย์เลยครับ <c oughs> แล้วก็คนคนนอกที่ที่จมารู้สึกว่าเข้าใจก็คือวันเอกเจรีเนี่ยครับว <c oughs> ันเอกเจรีนี่เข้าใจนะฮะ <c oughs> แต่ว่า เ, เราเราสื่อสารจะจะสื่อสารยากแม้แต่พวกพระต่างๆก็ไม่ยอมเข้าใจครับค <c oughs> ือท่านเป็นวัดของท่านะ แต่เราเราทำงานในนามพระศาสนารเราสืบสารพระพุทธปณินครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ก็คิดว่าอีกทีเนี้ยไม่อีกอีกอีกอีกไม่ไม่กี่วันเนี่ยก็จะจะไปติดต่อกับผู้ใหญ่ขอให้ท่านช่วยสนับสนุนไปก่อน ค, คือสรุปว่าต้องต้องหาเงินมารองจ่ายอ่ะแล้วก็หาไป แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันช็อตแล้วก็เงินยอดนี้ก็ต้องเข้าไปช่วยก่อนครับเพื่อทํารวดเดียวเสร็จครับเจ้าคุณสมเด็จนั้นท่านขอขอต่อรองว่าขอเลื่อนอีกหน่อยเพราะว่าท่านต้องรับผิดชาวัดประสาอทประสาทบุญญาวาสครับวันนี้ก็เจอกันฮะท่านก็เบี๋ยวดีใจก็ยิ้มมาๆก็ยิ้มใจครับก็เมื่อท่านยังไม่พร้อมก็คือคือไม่พร้อมแต่ท่านรับประกันนะฮะท่านนรับประกันว่าท่านท่านจะจัดการให้ครับ แต่ว่าเมื่อเราต้องการทําก่อนเราก็ต้องหาหาเงินมารองจ่ายตรงนี้แล้วก็บอกบุญกับญาติโยมให้ช่วยครับนะก็ก็น่าจะทําได้นะอย่างน้อยสักหลังครับครับขอบคุณครับใหญ่เป็นรายการที่เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็สอบถามมาตลอดเวลานะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านพระเดชเสรีผู้กำกับท่านได้ออกแบบนะครับแล้วก็ท่านได้ให้บริษัทนะครับได้วางโครงสร้างอาคารต่างๆในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์นะครับ ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วการดำเนินการต่อไปท่านเจ้ารนักงานบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับได้สร้างแน่นอนนะครับแล้วก็แฟนรายการหลายๆท่านนะครับจะได้ร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันนะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับเราจะได้เห็นส่วนเสริมพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วก็เราจะได้ร่วมกันนะครับทําให้ศาสนาพุทธของเรานะครับเป็นศาสนาที่นะครับมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับท่านเจ้าพนักงครับแฟนรายการสอบถามมาหลังใหม่ถามว่าทําอย่างไรจริงจะมีบารมีนะครับแล้วก็ทําอย่างไรจริงจะวาจา จริงจะมีวาจาศิษนะครับมีคนครอเชื่อฝังโอ้คือคือบารมีเนี่ยเป็นเหตุว่าวาจาศิษย์อยู่แล้วครับผมบารมีคือการเก็บการสะสมความดีครับนะโยมจะเห็นว่าการให้ทานการรักษาศีลการกดเว้นบาปการใช้ปัญญาใช้ความเพียรมีสัจจะมีเมตตามีอธิษฐานมีอุเบกขามีเมตตาอะไรตัวเนี้ยผู้บารมีทั้งนั้นนะคือทําความดีทั้งหลายนี่คือบารมีทั้งนั้นครับ ทีนี้คนที่เขามีบารมีนี่แหละจะพูดจาอะไรแล้วก็จะศักดิ์สิทธิ์ครับเพรงนั้นวจาศิทธิ์เนี่ยมันเป็นผลแต่เราอย่าไปอยากให้มันศิทธิเรามีหน้าที่สร้างบารมีครับวจารเราจะเป็นศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เราต้องปฏิบัติตามหลักวจีสุจริต<อ>เพราะว่าถ้าเรายังมีวจิศุจุจิ ต, จต ด, ด, ดูอยู่นี่มันมันไม่ไม่ไ ม, ไม่มีทางที่จะเป็นวาจาศิทธิ์ขึ้นมาได้ครับ ขอบคุณมากครับจุดอย่างคับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับเป็นรายการครับครับสวัสดีครับครับผมครับอยากจะตัดเรื่องศูนย์ส่งเสริมผู้สนานะครับครับผมคือถ้าเกิดผมอยากอยากจะร่วมทำบุญตรงนี้จะติดต่อยังไงอะไรยังไงนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับครับขอบคุณมากครับครับครับผมคือติดต่อได้ทั้งสองแห่งนะครับติดต่อที่มหาจัยศรีประทุมก็ได้หรือติดต่อไปที่ศูนย์ส่งเสริมเอ่อ 02โทร812139 02โทร813675โทรศัพท์ประสานไปแล้วเราก็มีใบมูทนาออกให้นะตอนนี้ก็เอ็นมิโยไม่ให้ไปสองสามคบแต่ว่าจังต้องหายเยอะนะคือ ค, คือดูแล้วว่าตรงนี้ถ้าเราทำให้ทำงานได้เป็นในประสงค์เนี่ย คือสภาพแวดล้อมเนี่ยมันมีบุญลพิษทางเสียงนะทางเสียงแล้วก็ทางกลิน่นซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องติดแอร์แหละห้องเนี่ยแล้วก็ถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์เราอาจจะเบิดสถานีวิทยุชุมชนอย่าวน้อยก็เอาบริเวณใกล้ๆนี่ก่อนเก้ากิโลสิบกิโลแต่แต่นเนีย้ยก่อนนะนครั บ, รบแต่ ว, ว่า ตอนนี้ก็ไปถ่ายเอกสารที่ที่นั่นมาหมดแล้วกระมังกระังจะให้เขาคำนวณก็ยังนึกยังจะประสานกับผลเอกเสรีขอให้ในช่างเขาน่อยช่วยตีราคากลางมาให้หน่อยเพื่อเราจะได้บอกกล่าวญาติโยมและขอให้ช่วยกันรับ่อครับต้องจะค่าค่าใะจ่ายรู้สึกว่าแพงมากเลยนะครับแต่สร้างตึกหลักก็ยี่สิบกว่าล้านี่สิบกว่าล้านนะครับครับผม พราะว่ามันมันโครงสร้างในสิบเก้าล้านครับแต่ว่าเออยังมีอะไรต่างๆอีกข้างในอีกนะฮะอย่างน้อยก็ห้าล้านแหละครับนะพอเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะท่านพลเอกเสรีก็ได้ร่วมบริจาคโดยการให้วิศวกรนะครับทําการคำวนวณแบบทั้งหมดเลยนะครับก็มูลค่าเป็นล้านเหมือนกันนะครับทั้งท่านพลเอกเสรีผู้กำธรและท่านดรธิพรผู้กมารนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่สับสนศูนย์เสพพุทธศาสนานะครับที่พูดอย่าครับมีหนังสือหลายๆเล่มเนี่ย ที่คุณอาจารย์ตอนนี้มีเห็นหลายท่านเลยสนใจหนังสือที่คุณอาจารย์มากเลยครับมาเห็นเมื่อคุยกันก่อนเข้ารายการบอกว่มีคนสนใจนิเทศธรรมนิเทศธรรมครับคือคือมาถือว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกเพราะหนังสือนิเทศธรรมเป็นการอธิบายธรรมะครับธ <c oughs> รรมะพระนักธรรมจันทรีครับแต่เราจัดหมวดหมู่สมัยครับอาจจะ เ, เรียนไปเรื่องไปเรื่องพระศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระธรรมเรื่องพระสง์ แล้วก็ข้าวกลวงสร้างเริยศาตร์เรื่องทุกขศาสตร์เรื่องสมุทัยศาสตร์เรื่องมรรคศาสตร์เรื่องนิโรธศาสตร์ <c oughs> นะเกาะกลุ่มกรรมบงธรรมเหล่านั้น <c oughs> ก็ธรรมสภาเอาไปพิมพ์หลายพันก็จําหน่ายหมดเวลารวดเร็วครับก <c oughs> องอัตรามาเนี่ยพิมพ์มาครั้งที่สามที่สี่แล้วแต่ก็มาแจกนะฮะก็ <c oughs> มาพิมพ์แจกมีญาติโยมบริจาคค่าพิมพ์เราก็พิมพ์ไปด้วยครับวันนี้ก็มีคนติดต่อขอขอซื้อบอกไม่ต้องซื้อหรอกมเมาเลยครับ <c oughs> เอาเลยก็ เขาบอกว่าจะเอาไปเผอแพร่เพื่อนคนอื่นมันก็ไม่เธอะแม่ด้าดวาอะไรเราเจตนาที่จะเผยแพร่คือถ้าคนอ่านนิเษษทศธรรมเข้าใจเนี่ยลึกซึ้งสบายแล้วนะคือสบายแล้วเลยเรื่องาศาสนาคุณจะไม่มบ่นาอะไรเลย ครับค okay. ุณด <|so|> ีคุณใจครับขอกราบขอใบหลายหลายสายนะครับที่โทรมาไม่ได้นะครับเหล่านี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริภูมิขอกราบราท่านผู้รับฟังรายการไปก่อนนะครับขอความเจริญในธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิริภูมิทุกท่านครับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ